เทศอบรมในคืนวันที่เก้าเมษายนพศสองพันรสิบณวัดป่าบรรทาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมพนโนขณะที่เรานั่งฟังเทศทําความรู้สึกภายในใจประหนึ่งว่าเรา ภาวนานั่งภาวนานทำความรู้สึกอยู่กับจุดที่รู้คือใจธรรมะที่ท่านแสดงออกไปทุกบททุกบาทจะผ่านเข้าไปในความรู้สึกที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้สึกคือใจเมื่อได้รับสัมผัสจากธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดใจก็ยอมเจรับความสะอาดผ่องใสและปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่ฝังเทศนี่ท่านเรียวกว่าฟังเทศได้ความคือได้ความสงบเยือกเย็น ในในขณะที่ฟังเทศการที่เราจะจดจําเนื้อธรรมะที่ท่านแสดงไปได้หรือไม่ได้นั้นแล้วแต่ธรรมะจะตกค้างอยู่ภายในความจําของเราขณะที่ท่านเทศผ่านไปแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องทําความหนักแน่นหรือสนใจต่อการจดจําในเนื้อธรรมที่ท่านแสดงไปแต่ทําความหนักแน่น สนใจอยู่กับความรู้และธรรมะที่เข้ามาสัมผัสภายในใจของเราในขณะที่ท่านเทศนั่นเป็นหลักสําคัญที่จะให้รับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศจิตที่ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังเทศคือจิตที่ไม่ได้ส่งกระแสของตนออกไปสู่อารมณ์ภายนอก ให้มาก่อกวนการฟังเทศมีแต่ทําหน้าที่การรับรู้จากธรรมะที่เข้ามาสัมผัสแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปความรู้สึกที่ได้รับสัมผัสเกี่ยวเนื่องกันอยู่เช่นนั้นแม้ขณะจิตที่เคยคิดไปนู้นไปนี่ก็ระงับตนลงได้ใจที่ระงับ ความกระเพื่อมของตนเองเนื่องจากธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกหรือปิดกั้นทางเดินของจิตออกไปสู่อารมณ์นั่นแลเป็นใจที่สงบหรือเป็นเหตุที่จะให้เกิดความสงบและเป็นความสุขอันเป็นตัวผลขึ้นมาดังนั้นการฟังเทศในครั้งพุทธการท่านจึงถือเป็นสิ่งสําคัญมากบรรดาพุทธบริษัทที่เด รับธรรมะของพระพุทธเจ้าบางรายก็ปรากฏว่าได้ตรัสรู้ในที่เฉพาะพระพักของพระองค์ท่านก็มีจำนวนไม่น้อยบางรายเมื่อได้สนับแล้วเกิดความรู้สึกและเลื่อนขั้นแห่งธรรมะของตนที่เป็นอยู่ภายในใจขึ้นไปเป็นชั้นๆก็มี และเพิ่มความเข้าใจในสิ่งที่ตนเคยสงสัยและขัดข้องอยู่ภายในใจปลดเปลื้องออกไปได้เป็นระยะระยะก็มีได้รับความเข้าใจในช่องทางที่จะพึงประพฤติปฏิบัติต่อจิตใจของตนอย่างนั้นก็มีดังนั้นการฟังธรรมะนี้จึงไม่ด้อยกว่าการปฏิบัติธรรมะทางด้านอื่นๆ เช่นการนั่งภาวนาเป็นตน้นท่านผู้เป็นอุคติตันยูซึ่งมีอุปนิสัยพร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดเผยตัวเองขึ้นภายในใจให้รู้หลักความจริงแห่งธรรมะโดยสมบูรณ์ย่อมตรัสรู้ได้ในขณะที่ฟังเทศเป็นจำนวนไม่น้อย คำอุคติตันยูแปลว่าผู้ที่รู้ธรรมะได้อย่างรวดเร็ววิปจีตัญญูท่านผู้ที่ลองลำดับกันลงมาเมื่อได้รับการสัตดับฟังจากพระพุทธเจ้าแสดงหลายครั้งหลายหนก็ได้รับความเข้าอกเข้าใจได้เลื่อนความรู้สึกของตนขึ้นสู่ธรรมะเป็นขัา น, นขั้นขึ้นไป จนกลายเป็นวิปจิตันยูขึ้นในเวลาใดเวลาหนึ่งคือตรัสรู้ได้จากการฟังเทศเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นการฟังธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญตลอดมาจนสมัยปัจจุบันนี้โดยมากผู้ปฏิบัติทางด้านจิตใจจะถือการฟังธรรมะนี้เป็น เป็นหลักสําคัญเช่นพระกรรมฐานท่านท่านเหล่านี้ถือครูถืออาจารย์เพื่อการสดับย์ตอบฟังเป็นหลักสําคัญเช่นเดียว ก, กันกับภาคปฏิบัติของท่านคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเราบําเพ็ญจิตใจของเราอยู่โดยลําพังตนเองจะเดินจงกรมก็ดี นั่งสมาธิภาวนาก็ดีตามปกติปกติแล้วรู้สึกจะฟูดเครื่องยิ่งกว่าการฟังธรรมะในขณะที่ท่านเทศใชอีกเพราะเหตุใรเพราะการฟังธรรมะนี้เป็นเครื่องช่วยพยุงจิตใจคือเป็นการเตือน ความรู้สึกของเราให้รับรู้อยู่กับบทธรรมะที่ท่านแสดงไปเป็นระยะระยะระยะจิตก็เลยได้รับความสงบหรือรู้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมนั้นและจิตกร็รวมเข้าสู่ความสงบได้รวดเร็วกว่าการบำเพ็ญโดยลำพังตนเอง ดังนั้นท่านจึงถือการฟังธรรมะเป็นสิ่งสำคัญประเภทหเพราะขณะที่ฟังเทศนั้นยอบมีความสนใจ <c oughs> เพื่อจะรับทราบไปตามระยะระยะแห่งธรรมที่ท่านแสดง นึกตื้นหยาบละเอียดอยู่เสมอจิตใจย่อมมีหน้าที่อันเดียวคอยรับรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงออกมาเสมอเสมอใจเลยเกิดความสงบขึ้นมาเย็นอกเย็นใจเมื่อเข้าถึงขันข้นละเอียดแห่งความสงบแล้ว ธร ร, ธรรมะที่ท่านแสดงในขณะที่ท่านแสดงอยู่นั้นปรากฏว่าไม่เข้าถึงจิตพราะจิตได้ปล่อยวางธรรมะคือกระแสแห่ง <Okay. S 1> เสียงนั้น <Okay. S 1> เข้าสู่ความสงบโดยลำพังตนเองอย่างเต็มที่ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสว่างสวัยความสุข ภายในจิตใจของตนขณะเช่นนั้นไม่มีอารมณ์อันใดที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องแม้ที่จุดกระแสแห่งธรรมก็ผ่านกันไปไม่เกี่ยวข้องนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสดับธรรมในเบื้องตน้นธรรมะเป็นเครื่องกลอมจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้เป็นระยะๆจนถึงเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ ขณะที่เรานั่งฟังเทศท่านกําลังแสดงนี่ก็เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ถือเป็นหลักประกาศพระาศาสนาให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้ทราบประจักษ์ใจจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ ภาคปฏิบัตินั้นเป็นอีกภาคหนึ่งที่ส่วนใดซึ่งเรายังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้ว เ, เสียงไขรจะพูดอะไรอยู่นั้นกนระะเทือนจิตใจน่าอธิบายถึง วิธีของการฟังเทศเพื่อได้ให้รับผลประโยชน์ในขณะที่ฟังโปรดทำความรู้สึกโดยทำนองที่ได้แสดงมาแล้วนี้เราจะไม่ได้เนื้ออัดเนื้อทำจากที่ท่านแสดงก็าตาม แต่ได้อัดได้ทำหรื อ, อรู้อัดรู้ทำขึ้นภายในใจของเราที่มีความสงบจากการฟังธรรมนี่เป็นธรรมสมบัติของเราแท้ความสงบก็เป็นของเราความสุขความเย็นใจความสว่างสวัยที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ฟังธรรมก็เป็นสมบัติของเรา และยังจะเป็นพื้นฐานหรือเป็นที่ตั้งแห่งความมั่นคงของใจในการต่อไปด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้จิตใจได้รับความดุดดื่มพอใจในการที่จะบำเพ็ญตน ให้ยิ่งกวา่าธรรมะหรือความสงบที่เคยปรากฏในขณะนี้ต่อไปอีกการเรียนอะไรแม้จะเป็นความลำบากก็จริงจะหนักไปบ้างก็จริงแต่รู้สึกจะเป็นสิ่งที่เบากว่า การเรียนรู้วิถีทางเดินของจิตและเรื่องของจิตเพราะวิถีทางเดินของจิตนี้มีอยู่หกมีอยู่ห้าทางด้วยกันทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแม้ที่สุดจะมีทางเดินออกก็ตาม แต่ทางปรากฏตัวที่เรียกว่าเป็นธรรมอรมณ์อาจเกิดขึ้นได้ภายในจิตมากยิ่งกว่าทางเดินทั้งห้านี้เสียอีกนั่นท่านเรียกว่าธรรมารมณเมื่อจิตได้ออกจากฐานเดิมของตนวิ่งไปตามวิถีแห่งทางเดิน คือตาหูจมูกที่นกายแล้วย่อมจะประสบรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องสัมผัสซึ่งคอยตอนรับจิตอยู่แล้วตลอดเวลานั่นลนะ่ะจิตที่คําว่าจิตเป็นเรื่องก็คือเป็นเรื่องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกันประสานกันอยู่นี่หลยและเกี่ยวข้องประสานกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงเรียนรู้ เรื่องของจิตกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับกจิตทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วได้ยากท่านจึงจัดว่าเป็นวิชาที่ยากอยู่บางแต่เมื่อเรียนจบเรื่องของจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นงานชิ้นเอกและผลอันเอกเหมือนอย่างการ รู้เรื่องของใจถึงความเป็นเอกคือหนึ่งไม่มีสองได้แต่ได้แก่ใจที่รู้เรื่องของตัวเองแล้วไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนโดยทางคุณสมบัติจะยืนเดินนั่งนอนเสมอ ไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายเนื่องจากใจซึ่งเป็นเจ้าของนั้นเป็นสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งความสม่ำเสมอถ้าเรียนจบแล้วเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการเรียนวิชาเพื่อรู้วิธีทางเดินของจิตและรู้สิ่งที่จะควรละควควรถอน รู้สิ่งที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจนี้จึงเป็นของที่ยากอยู่บงังการบำเพ็ญเช่นนี้เรียกว่าเป็นอัตตสมบัติของเราโดยตรงนอกจากนั้นยังจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมหน้าที่การงานกิจการภายนอกให้มีความแน่นหนามั่นคงและราบรื่นไปได้อีกไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมะจะจะเป็นฆาตศึ ต่อการงานทางโลกทางครอบครัวหรือส่วนรวมแต่เป็นเครื่องสนับสนุนให้หน้าที่การงานนั่นๆแน่นหนามันคงและสำเร็จลงไปด้วยความเรียบร้อยเพราะหลักธรรมะตามธรรมชาติเป็นหลักที่ไว้วางใจของโลกอยู่แล้วตลอดมาเราผู้ปฏิบัติธรรมะก็ เพื่อจะหาความไว้วางใจของตนจากหลักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนตามปกติเราไว้ใจตัวเองยังไม่ได้ยังไม่สามารถจะเชื่อตัวเองได้จึงต้องหาอาศัยหาธรรมต้องเาะแสวงหาธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยพยุงให้ใจเป็นที่เชื่อมั่นในธรรมะเมื่อใจเชื่อมั่นในธรรมะแล้ว ธรรมะท่านสอนไว้อย่างไรใจจ่อมสามารถจะปฏิบั ต, ติตามหลักธรรมะนั่นได้วิถีทางเดินของชีวิตและความประพฤติทุกด้านมีธรรมะเป็นเส้นทางเดินย่อมไม่ผิดพลาดคนเราเมื่อได้รู้หลักธรรมะทอมทั้งความสนใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมะแล้วย่อมเป็นที่ไว้ใจตนเองไนดะ้จะไปนอกบ้านในบ้านนอกวัดในวัด ไปสู่สังคมหรือไปสู่สถานที่ใดๆแม้ที่สุดเข้าไปสู่สมาคมแห่งคนชั่วก็ไว้ใจตนเองได้เพราะตนเองมีหลักธรรมเป็นรั้ว ก, กันเสมอย่อมไม่อาจสาอาจทำความชั่วได้เนื่องจากมีความเฮริละอายต่อตนเองซึ่งมีธรรมะอยู่ภายในใจ โอต ป, ปะมีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่วยอยู่เสมอผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องฝังใจแล้วยอมเป็นที่เชื่อมั่นต่อตอนเองได้นอกจากจะเป็นที่เชื่อมั่นต่อตอนเองได้แล้วยังเป็นเหตุให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่นได้ด้วยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสผู้มีหลักธรรมะ ตามขั้นตามภูมิของตนย่อมเป็นที่ไว้วางใจของตนได้และเป็นที่เชื่อถือของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นนักธรรมะที่อยู่ด้วยกันจะมีจํานวนมากหมายก็ตามย่อมเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของเราแต่ละส่วนและส่วนแม้จะอยู่ด้วยกันมีจํานวนมากเช่นอาการนั้นอาการนั้นรวมกันอยู่มากมายก็ตามแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็น ค่าสึกต่อตัวเองย่อมถือว่าเป็นสมบัติของตัวทั้งสินในบรรณาอวัยวะที่มีอยู่ภายในตัวทั้งเบื้องบนเบนืบ้องล่างข้างหน้าข้างหลังทั้งข้างในข้างนอกย่อมมีความรักสงวนเสมอกันหมดนี่ผู้มีหลักธรรมะก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีความสม่ำเสมอในบุคคลทั่วๆไปมีความสม่ำเสมอในหน้าที่การงานตรงต่อเวลามีลา ไม่คดไม่โกงเป็นที่ไว้ใจได้พ่อแม่กับเด็กก็เป็นที่เชื่อถือและไว้ใจกันได้ระหว่างสามีภรรยาก็เป็นที่เย็นใจระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันก็เป็นที่เย็นใจเพราะต่างคนก็ต่างปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นที่ซึ่งเป็นธรรมชาติไว้ใจอยู่แล้วผู้มีธรรมะต่างก็ไว้ใจตนได้ตามขั้นแห่งธรรมะที่นำมาปฏิบัติได้ เมื่อเราปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยอมเป็นทิ่แน่ใจภายในตูของเราว่าเป็นที่รับรองตัวได้แล้วในขั้นนั้นๆเรื่องที่รับที่แจ้งจึงไม่มีปัญหาสำหรับบุคคลที่มีธรรมะภายในใจนี่ชื่อว่าผู้เชื่อตนเอง เห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าไม่สามารถจะฆ่าได้เพราะเห็นว่าสัตว์กับเรานั้นเป็นสภาพที่มีชีวิตและเป็นสัตว์ที่สงวนชีวิตเช่นเดียวกันกับเราคุณค่าแห่งสัตว์กับคุณค่าของเราในความมีชีวิตนี้มีเท่ากัน ไม่มีใครยิ่งยอ่อนกว่ากันหากว่า ช, ชีวิตหาไม่แล้วเขาก็เรียกว่าสัตว์เป็นว่าสัตว์ตายคนตายเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่เสมอกันคือความเป็นความมีชีวิตมองเห็นทั้งชีวิตของเราและชีวิตของเขามองเห็นทั้งความสงวนแห่งชีวิตของเราและชีวิตของเขามีความเสมอกันเชนนี้แล้วทําไม่ลงนี่กค็คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้น ทรัพสมบัติของเขาจะมีมากมีน้อยย่อมเป็นที่รักสงวนเช่นเดียวกับทรัพย์สมบัติของเราของเขากับของเรานั้นมีคุณค่าเท่ากันในความรักความสงวนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาก็เท่ากับล่วงล้ำตัวของเราเขาย่อมมีความผิดใจแม้เราจะมีความดีใจเนื่องจากเราได้สิ่งของเข้ามาก็ดีใจเพราะความ ได้มาจากการเหยียบย่ำน้ำใจของเขาให้บอกทำเอาความทุกข์ให้เขาแล้วเพื่อเป็นความสุขสำหรับเหล่านี้ไม่มีค่าอะไรเลยสำหรับบุคคลประเภทนั้นเมื่อคิดให้ถึงเรื่องความจริงเสมอภาคกันแล้วอย่างนี้ผู้มีธรรมะทาไม่ลงจะเป็นที่แจ้งที่รับไม่สำคัญทั้งยกตัว อ, อย่างใกล้ๆอย่างนี้ นี่เริ่มอธิบายเข้าไปถึงขั้นถึงสิ่งห้าสิ่งใดบ้างที่เป็นสมบัติของคนอื่นไม่เพียงแต่ว่าสัตว์หรือวัตถุสิ่งของไม่มีวิยญาณย้อนเข้ามาถึงคู่ครองคือสามีภรรยาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนยิ่งกว่าคู่ครองของกันและกัน ผู้ครองของเขามีความสงวนอย่างไรรักอย่างไรบ้างของเรามีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันนี่ก็ทำไม่ได้เรื่องความรักความฟุ้งเฟอ้อความโลเลมากๆในอารมณ์ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งธรรมะนั้นปราบปรามเอาไว้ มีแต่ความขยะขขยแงถ่าเดียวเห็นใจของท่านเห็นใจของเราว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็ทำไม่ลงการโกหกพกลมเราได้ยินแต่คนอื่นโกหกก็ไม่น่าฟังแล้วไหนเราจะตั้งตัวเป็นคนโกหกพกลมใชเองนีอย่างที่ไหน เราเห็นเขาเหยียบไฟแล้วก็และแสดงความเดือดร้อนเท่าไฟเผานั้นไหนเราจะเอาไฟนั้นมากี้เราเสเองไม่ใช่วิสัยของบุคคลที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วๆไปนี่ก็โกหกพกลมไม่ได้ อธิบายเพียงเทาง่านี้เราก็พอเข้าใจสำหรับผู้มีธรรมะแล้วทำไม่ลงและแน่ใจตนเองที่สุดเหมือนบุคคลที่มีอาวุธรอบตัวและมีความรู้รอบตัวไปไหนไม่เก็นกลัวจะล่มจมความรู้ ที่เต็มไปด้วยหลักธรรมะภายในใจนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโลกที่มีธรรมะภายในใจด้วยกันแล้วจะ ก, กว้างแสนกว้างหรือมีพลเมืองมากเท่าไรก็าตามย่อมไม่เป็นไทยต่อกันและยังจะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกันให้มีความเจริญรุ่งเรืองและอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันไปเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นไยัยนอกจากเรื่องของอธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นไปแม้จะมจะีจะมีจำนวนน้อยน้อยก็เป็นได้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของอาธรรมแล้วต้องเป็นทางต้องเป็นเรื่องขัดขวางเสมอไปเช่นก้างขวางคออาหารวันค้าวอย่างอื่นที่เป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายเราจะรับทานลงไปมากเท่าไรก็เป็นคูณแกว่าธาตุขันเท่านั้นส่วนก้างซึ่งเป็นพิษแม้จะมีนิดหนึ่งเท่านั้นขวางคอลงไปก็คืนไม่ลง เนี่เรื่องของอธรรมเป็นเช่นนั้นถ้าได้แทรกสิงอยู่ในจุดใดอยู่ในผู้ใดอยู่ในสังคมใดย่อมจะทำผู้นั้นและสังคมนั้นๆให้เอ็นเอียงและล่มละลายไปได้เปรียบเหมือนกันก็นกว่าสิ่ง ท, ทาลายสิ่งที่ถูกทำลายแม้จะเคยได้รับประโยชน์มาเท่าไรก็ตามย่อมทิ่งหายไปได้เพราะธรรมชาติ ที่ทำลายท่านเรียกว่าอะธรรมภู้มีธรรมะแล้วย่อมทําโลกให้เย็นทําตัวของเราให้เย็นไปที่ยะไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่ผู้ใดและไม่เป็นภัยแก่ตนเองด้วยมี่ธรรมะให้คุณแก่โลกอย่างนี้ธรรมะไม่เคยปรากฏเป็นค่าสุดต่อโลกแต่การในไหนมา นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่โลกโดยถ่เดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสำหรับธรรมะที่นี่ย้อนเข้ามาผ่านในจิตของเราแค่คิดอยู่ในวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่จิตมีวิถีทางเดินอยู่ห้าสายหกสายเท่านี้แหละ แต่เดินไม่หยุดเดินสวนไปสวนมาเดินทีแรกเป็นเดินออกหาอารมณ์เดินกลับเข้ามาคือได้อารมณ์แล้วเข้ามาการเรียนวิชารู้เรื่องของทางเดินของกิตทั้งออกทั้งเข้านี้จึงเป็นเรื่องที่ยากต้องมีครูที่สอนครูที่สอนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความช่ำชองรื้ จริงเห็นจริงทั้งฝ่ายละฝ่ายถอนทั้งฝ่ายบำเพ็ญจนสมบูรณ์มาแล้วเช่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนบุคคลที่มีกิเลสตัณหาปัญญาอยากเช่นเราเราท่านท่านให้ถึงพรมบริสุทธิ์วิมุติพระนิพพานได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นในครั้งแรก จากนั้นก็มีสาวกที่ได้รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าเรียนจบวิถีทางเดินของจิตทั้งเข้าทั้งออกทั้งความเป็นอยู่ภายในตัวเองแล้วมาสั่งสอนประชาชนถ่ายทอดกันมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี่นเป็นวิชาที่เยี่ยมยอดถ้าหากฝึกฝนอบรมจิตและรู้เรื่องของจิตได้ดีพอสมควร แม้จะไม่ถึงขั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ก็ตามแต่ก็จัดเป็นพุทธบริษัทและเป็นพลเมืองดีทำโลกให้เจริญรุ่งเรืองทำครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่มาเกี่ยวข้องย่อมถือเป็นเหมือนอวัยวะอันเดียวกันมีความสนิทสนมคมเคียวซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาสงสารไม่เอาเปรียบเอาัะ คอยให้อภัยกันอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ทผิดด้วยความไม่รู้หรือพังทะนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมยอมทาความร่มเย็นแก่กันและไม่เป็นที่ระแวงแครงใจซึ่งกันและกันนี่เพียงขั้นนี้ก็ได้ผลประโยชน์ประจักษ์กับโลกอยู่แล้วยิ่งเราสามารถเรียนรู้เรื่องของใจ ในสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ทั่วถึงและถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่แล้วนั่นเป็นผู้เรียกว่าเรียนเรื่องความเกิดความตายวิถีทางเป็นมาของจิตได้โดยจบสิ้นไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ การเรียนโลกจบโดยแท้จริงนั้นหมายถึงเรียนจิตเพราะจิตนี้เป็นตัวโลกจะไปเกิดโลกใดก็ตามสาเหตุจำเป็นไปจากจิตจะเกิดเป็นคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วในภพใดชาติใดย่อมมีสาเหตุไปจากจิตทั้งนั้นพญานิตจึงจำเป็นต้องได้รับการอบรมพระพุทธเจ้าสอนก็สอนจิต เพราะจิตเป็นผู้พาเดินแม้จะเป็นอัตภาพร่างกายมาแล้วเช่นเร า, เราท่า น, นก็ต้องอาศัยจิตเป็นผู้พาเดินพาประพฤติผิดหรือถูกขึ้นอยู่กับใจกายนี้เป็นแต่เพียงเทียบกับหุ่นเท่านั้นจิตเป็นผู้ชักหุ่นไปมากระลิกพลิกแพงต่างๆจะทํากายให้ไว้ไปทางดีทางชั่วสุขทุกย่อมขึ้นอยู่กับใจ ใจที่ได้รับการอบรมแล้วย่อมจะขับเรือคืออัตภาพร่างการนี้ให้เป็นไปในทางดีเสมอเรียกว่าความประพฤติดีเนื่องจากใจผู้เป็นเจ้าเรือนหรือเป็นหัวหน้านี้เป็นผู้ได้รับการอบรมในทางที่ถูกเข็มทิศทางเดินของใจก็คือธรรมะใจที่มีธรรมะย่อมเป็นไปเพื่อความราบเรือนแก่ตนเองอยู่เสมอนี่หลักของโลกคือเรื่องของใจ นี่เป็นหลักใหญ่จึงจําเป็นที่จะพยายามเรียนให้รู้โลกคือใจของเราเองถ้าหากเรียนไม่จบหรือไม่สนใจที่จะเรียนก็ทําให้ยุ่งแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยหาสาเหตุไม่ได้หากพเรียนรู้เรื่องแล้วก็ย่อมพอปล่อยวางได้และพอยับ ยังช่างตัวเองได้ในสิ่งที่จะควรยับยังเพราะคนมีธรรมะย่อมรู้จักยับยั้งตัวเองในสิ่งที่รุนแรงซึ่งควรจะเป็นไปอย่างโลกโลกเขายับยังได้ไม่ทำหรือผ่อนให้เบาลงได้หากเรามีกรรม รังจนเพียงพอแล้วก็เหมือนอย่างรถที่จอดอยู่เฉยไม่จำเป็นจะต้องไปเบรกเพราะรถไม่ได้วิ่งจิตที่คงที่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องยับยังเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่จะเข้าไปถึงจิตทำจิตใจให้กำเริบ เรียนจบรู้เรื่องของตัวเองจบชงไว้สิ่งความสบายตลอดเวลาในโลกนี้ขันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วว่าอิตเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วโลกหน้าที่จะไปปรากฏตัวข้างหน้านั้นคือใครก็ทราบชัดภายในตัวเองว่าจบสิ้นแล้วในการจะ ก, ก้าวไปที่เรียกว่าอนาคตสืพบพพสืบชาติ ต่อไปดังที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าได้ตัดเชื่อกันแล้วลงในปัจจุบันกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วอย่างเต็มที่นี่การรู้เรื่องอดีตที่เป็นมาของใจก็ดีคือเป็นมาของภพของชาติเราก็ดีจะนับได้หรือไม่ได้ก็าตามมีจานวนมากน้อยจะเป็นไปข้างหน้าคือสืบต่อภพชาติไปข้างหน้าก็ดี ย่อมทราบได้ในหลักปัจจุบันสาหรับผู้บริสุทธิ์แล้วในข้อนี้ก็เคยมีท่านที่สนใจในธรรมะมาถามบ้างเหมือนกันว่าท่านที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นที่แน่ใจไหมว่าเรื่องภพชาติมีหรือไม่คือการเกิดแก่เจ็บตายในจิตตรงนี้มีหรือไม่เคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่ภพกี่ชาติรู้หรือไม่ เคยมีท่านพูดสนใจในหลักธรรมะถามเหมือนกันแต่ก็ตอบได้เท่าที่ควรจะกํำลังของตนเท่านั้นคือเรื่องของพระอรหันต์แล้วปัจจุบันเป็นหลักสำคัญเป็นผู้ที่แน่นอนที่สุดว่าเรื่องพพเรื่องชาติต้องเป็นสิ่งที่เคยเป็นมา ถ้าปัจจุบันนี้แต่ก่อนเป็นผู้สาะแสวงหาเรื่องราวมาเป็นลำดับลำดับเรื่องราวที่จะให้เกิดแสดงอยู่กับตัวเองตลอดเวลาปัจจุบันนี้เป็นกิตที่ได้หมดพยศในการที่จะสาะหาเรื่องเช่นนั้นแล้วหรือพูดง่ายๆก็คือว่าค่าให้ตายแล้วอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่จะกระดิกพลิกตัวขึ้นมาให้ปรากฏว่าเป็นที่ไม่แน่ใจ ถ้าว่าจะเทียบกับข้าวก็คือข้าวสุกล้วนเป็นข้าวเปลือกเรายังไม่แน่ใจว่าจะเพาะเกิดหรือไม่เป็นข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจต่อเมื่อเป็นข้าวสุกอย่างเต็มที่แล้วเป็นที่แน่ใจแน่นอนว่าจะไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้อให้ข้าวสุกเม็ดนี้ไปเกิดได้อีกแล้วลักษณะของจิตของพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นที่แน่ใจ ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่ละความเป็นธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นที่ยืนยันได้ว่าเรื่องพบหน้าจะมีขึ้นมาไม่ได้เรื่องพบที่ผ่านมาแล้วก็เนื่องจากจิตตรงนี้ยังเป็นข้าวสุกก็ยังเป็นข้าวเปลือกหรือยังเป็นข้าวสารที่ไม่แน่ใจอยู่พอได้กลายเป็นข้าวสุกอย่างเต็มที่แล้วก็หมดปัญหากันไปยังมีแต่รสชาติที่เรารับทาน ท่านั้นที่จะทรงผู้รับทานให้รับความสุขความสํานาญและความอร่อยอร่อยสุดเนื่องแห่งธาตขันไปจนถึงอายุขยัยแม้สัตว์รับทานลงไปก็ยังได้รับประโยชน์เช่นอยู่นี่หลักธรรมะที่มีอยู่ภายในความบริสุทธิ์ของบรรดาสาวกนอกจากท่านจได้รับประโยชน์อันสมบูรณ์ภายในท่านแล้วยังสามารถจะสั่งสอนบุคคลอื่นให้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากําลังแห่งผู้ปฏิบัติและสนใจอีกเป็นจานวนไม่น้อย ดังนั้นอนาเราท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาบำเพ็ญเพ น, นี้ยังขอขอบคุณและอนุโมทนาด้วยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นผู้ที่หาได้ยากที่จะสละเรล่อเวลาหน้าที่การงานาทำเพ น, นี้นับว่าเราได้วางแบบฉบับหรือแบบพิมพ์อันดีไว้สำหรับบุรบุกสุดท้ายภายหลังใหด้ดำเนินตามเพราะาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าวาเป็นแบบ พิมพ์ที่ดีแล้วสิ่งที่ชัดสำเร็จมาจากแบบพิมพ์ก็ต้องเป็นของดีตัวบ้านตัวเรือนที่จะให้ปรากฏเป็นของดีม่านโคงก็สําเร็จอยู่ที่แปลนเมื่อแปลนที่ทําถูกต้องตามนายช่างผู้ฉลาดได้กำหนดไว้แล้วบ้านเรือนก็ปลูกขึ้นตามหลักของแปนนั้นดีแล้วก็จะย่อมเป็นบ้านเรือนที่สวยงาม รูปร่างทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นเช่นเดียวกับแปนของบ้านแบบพิมพ์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนี่คุณบุตรสุดท้ายภายหลังไม่มีทางเดินนอกจากจะพยายามเดินก้าวก้าวเดินไปตามผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ปกครองไม่ว่าทางพ่อแม่และทางโรงเรียนหรื อ, อทางใดๆทางสังคมก็ตามถ้ามีแบบพิมพ์ประเภทที่ดี ดังเราท่านทั้งหลายได้พากันบำเพ็ญยุนาบัตินี้ชื่อแบบพิมพ์ที่ดีมีจำนวนมากเท่าไรแงวก็หวังใจว่าคุณูดสุดท้ายภายหลังจะได้เดินตามอย่างราบลื่นและจะไม่เป็นภัยแก่เขานั่นนั้นนอกจากเราได้รับประโยชน์แล้วผู้ที่เดินตามหลังก็ยังได้รับประโยชน์อีกจึงขอขอบคุณในบรรดาท่านทั้งหลายเป็นอันมากไว้นะโอกาสนี้ดย แต่แนวาสารแห่งธรรมนีขาอความสวัสดีมีแก่บรรดาทุกท่าน